ตอนที่สิบห้าพระอาจารย์มั่นล้มป่วยลง อาจารย์ท่านลมป่วยลงไปดังพูดไว้ไม่นานผ่านมาเหมือนดังวาจาไม่ผิดเลยน่าแน่นอนท่านอาจารย์ป่วยทางการ มองตามหมุนไม่ป่วยทางจิตฤิดรอนนั่งเดินยืนนอนร่าร้อนนารอมหรือไทยระทมระบ่มเร่าร้อนดัง้าโอ้พระคุณท่านนั้นพระอาจารย์มันนั้นยิ่งลมโพสา ท่านนำช่วยชี้ปฏิปฏาทาต่อชีพดากท่านลับลาแล้วใครจะมาคอยชี้นำคิดยิ่งระกรมโอเวนกรรมของเราหรือนี่ไม่มีอาจารย์เบืองหน้าไปนานจะเป็นฉันใดแล้วใครจะเตือน จะมาเป็นเหมือนพระอาจารย์มันท่านบอกเป็นป่วยสุดท้ายยูกยาใดๆ ไ, ไ, ไม่สามารถทานทานไม่มีวันรักษาได้คืนเหมือนไม้ตายยืน ไมมม่ีวันน้าพออายุท่านใกล้แปดสิบปีท่านก็ล้มป่วยตามคำที่ท่านพูดไว้ทุกประการเพราะท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วซึ่งท่านนั้นเคยป่วยเคยไข้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน เป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้อะไรต่ออะไรท่านไม่เคยพูดเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นยังไม่มากมายอะไรเลยท่านก็พูดว่านี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่หายยาจากเทวดาฉันพรหมไหนๆก็มาเถอะไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายๆนะ เป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่อย่าไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี่แหละเอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ําไม้ที่ตายยืนต้นแล้วนั่นเองจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลย่อมเป็นไปไม่ได้ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเอง จะให้หายด้วยยาขนานใดไม่หายหรอกนะยังไงต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่มีสงสัยเลยนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น